มิยังพเทกรัตากาทธายโยพนามเาเตอาีิตัมนาคภาาัยนาณปฏิกันเกณานักตางผู้คนไม่ควรตามิดถึงสิ่งที่รววงไปแล้วโดยอะไรแย่ไม่ถึงมาะองคถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยงาติตา นั่งจำจแจงไม่งงงงงแงเขาควรพบภูนักเส้นนัไวัจจัยนนี้มาตปัจจัญญามนันตัวเองความเมียเป็นจิตที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ว่าตายแม้นรุ่งนี้นาย